ขาและหลังของพระฟรั่งองค์นั้นก็ทั้งเจ็บทั้งปวดท่านไม่เคยชินกับการนั่งนานๆในท่าที่แสนจะไม่สบายเอาซะเลยสําหรับชาวตะวันตกยิ่งไปกว่านั้นท่านจะต้องนั่งอย่างนี้ไปอีกตั้งแปอาทิตย์ท่านเริ่มสงสัยอย่างหนักว่าท่านจะสามารถอดทนปฏิบัติไปได้นานขนาดนั้นเจริ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 ช่วงเวลา50นาทีสุดท้ายราวกับเป็นช่วงเวลา50นาทีช่วนนรันแต่ความเป็นเนรันดอนนั้นย่อมถึงจุดจบลงสักวันแล้วมันก็จบลงเสียงของยุติการปฏิบัติธรรมช่างไพเราะเกิดกระแสะคลื่นแห่งความยินดีแล่นพล่านไปทั่วร่างกายท่านขับเคลื่อนจากความเจ็บปวดให้หายวับ เข้าหลังฉากไปเลยท่านทำสำเร็จท่านจะต้องฉลองช้ยให้ตัวเองแล้วหละ่ะเอาอ่างอาบน้ามาเลยท่านอาจารย์ตีคองอีกครั้งเรียกความสนใจของทุกคนท่านมีเรื่องจะประกาศท่านพูดว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมมากพระหลายหลายองค์ก้าวหน้ามากและในระหว่างการสอบอารมณ์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 เตรียมจะจัดการบรรดาพระที่ไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่นความโกรธของท่านกลบความเจ็บปวดเสียจมิดท่านลู้แกโทรสั่ท่านโหดเหี้ยมท่านไม่เคยรู้สึกโกรธมากขนาดนี้มาก่อนเลยและแล้วเสียงค้องก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเวลาสิบห้านาทีที่ผ่านไปเร็วที่สุดในชีวิตของท่านทีเดียวท่านอาจารย์พูดว่า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 จึงเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มท่านบอกพระฝรั่งว่าอย่าของคนไปเลยท่านอาจารย์ทำเช่นนี้ทุกปีแหละ